เจริญพรท่านผู้มีวันนี้เป็นวันที่หนึ่งศรัทธามีความเลื่อมใส 2558 เป็นวัน มานุษยการทำงานของรัฐวิสาหกิจราชการไม่หยุดเป็นวันแรงงานหรือการใช้แรงงาน การใช้แรงงานนี้ก็ใช้อยู่ 3 ทางด้วยกันทางกายเรียกว่า เธอสามารถทําให้เราทุกข์ทํา ก็ไปเป็นอาจารย์ไปเป็นครูไปเป็นศาสดาจารย์อาจารย์ไปเป็นครูไปเป็นศาสดาอาจารย์ไปเป็นเช่นพระ พระพุทธเจ้าทรงคิดดีคิดเห็นคิดว่าทุกข์นั้นเกิดจาก พวกเราอยากได้นี้เป็นทุกข์ทั้ง ได้มาก็ต้องทุกปกับการดูแลรักษาเวลามันจากไปก็ต้องทุกปกับการผัดพาคจากกันเช่นได้ลูกมานี้ก็ต้องมาเรียงดูก็ต้องทุกปกับการเรียงดูตอนคอดมาไม่ๆดึกๆดื่นๆ ก็ลóngขึ้นมาปวดปัตษวะ หิวน้ำหิวนม เดี๋ยวลูกก็ร้องเรียกคอยร้องคอยเรียกให้ช่วยเหลือนี่ขอนี่ๆนี่คือ คนที่อยากจะมีลูปเนี้ยเข้าคิดว่ามีลูปแล้วมีคนคอยมาเป็นเพื่อนมีควรคอยมาเป็นเพื่อนต่อไปเวลาแก่ก็จะมาเรียกดูเรามารับซับสมบัติเข้าของ collapsed xana เสียอกเสียใจยิ่งท จนลูกตายไปก่อนพ่อก่อนแม่ลูกหลู่ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา to ตามตามความเป็นจริงเรามักจะเห็นก็กลับเช่นเฒ่า เราก่อนหน้านั้นเขามีแต่ชมเราทุกข์แล้วก่อนหน้านั้นเขามีแต่ชมเรา เป็นแฟนเป็นสามีเป็นภรรยาก็คิดว่าเขาจะดีกับเราไปอย่างเดียวไม่รู้ ก็เป็นสัญชาตญาณของสัตว์ที่เวลามันเจ็บมันก็จะต้องป้อง นี่เรียกว่าไม่เทียมไม่มีอะไรแน่นอนรัก เพราะเขาจะต้องมีการดับไปจะนี่คือวิธีคิดดีมีเป็นพระพุทธเจ้าได้เปลี่ยนนี่คือผลของการคิดดีเขา คิดว่าทุกอย่างให้ความสุขกับเราทุกอย่างแท้ การพูดดีหรือพูดไม่ดีก็มีผลกับการกระทำ เราก็ต้องคิดดีก็ต้องคลิปดีหรือร้องดีก็ได้เก่งๆก็มีแฟนเยอะมีทางที่ดีถ้าทางที่ดีทางไม่ดีเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็ถูกจับฟ้องขึ้นศาลถูกจับลงโทษเสีย กรรมีอยู่ 4 ลักษณะคือ 1 การพูดปด 2 การพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์คําหยาบพูดไปแล้ว อาการแล้วก็พูดแล้วก็พูดคําเพอร์เจอร์คือคําพูดที่ 4 คือการพูดที่จะยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกัน ก็ไม่ควรจะพูดไม่ควรจะพูดเช่นไปบอกสามีว่าเห็นก็ไม่รู้ ไม่ชอบกันขึ้นมาได้ชอบกันขึ้นมาได้ดังนั้นถึงแม้ ถ้าแฟนของเขาหรือมีของเขาไปมีแฟนที่ไหนก็ปล่อยให้เขารู้ของเขาเองเราไม่ต้องไปไหร่งานไม่ต้องไปแจ้งให้เขา สรiu ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะเกิดโทษถ้าเราก็จะกลายเป็นคนที่เขาไม่ชอบที่หน้าเราถ้าเกิดมันไม่เป็นความจริงเราไปพู อย่างนี้ก็จะทําให้เค้าไม่รู้ว่าเราเป็นคนพูดไม่ดีแล้วก็จะไม่อย อย่าพูดถ้อยจะอย่าพูดยุงยง ผู้ฟังสามารถรับความจริงที่เราพูด คนที่จะพูดคําสุภาพได้ต้องเป็นคนที่มีสติสั่นเพราะถ้าไม่มีสติสติสั่น ความคิดที่ไม่ดีต่างๆได้คําเช่นพัฒนาเป็นคนที่เจริญเป็นคน แล้วก็ส่งสารให้พูดคําพูดๆจะเป็นวิชาความรู้ทางโลกก็ได้และ สร้างความเจริญให้กับผู้ฟังได้เช่นเราไปโรงเรียนเราก็ไปฟังคําพูดที่ดีวิธีเอ่ออ่านหนังสือวิธีคิดเรื่องวิธี ถ้ามาวัดแล้วเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้ความเข้าใจที่ดีขึ้นไปฟังธรรมก็จะ ทางกายทางวาจาและทางใจการกระทํานี้ทําไปก็มีคุณและมีโทษถ้าทําไป นี่คือการกระทำทางกายทำไปแล้วจะ ให้เขามาตกให้เขามายินนี่ ผู้ที่ผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเกิดก็คือผู้คิดนี่เองผู้ ผู้คิดนี้ก็เป็นผู้ที่สร้างเวรสร้างตกนี่เป็น ก็จะความทุกนั้นก็จะกลับคืนมาสิ่งนั้นกลับคืนมาให้ความทุกข์แก่ มาถวายพระถวายพระต่อไปก็จะมีคนๆมาให้เราเราให้อะไรไป ก็มีคนเอากับข้าวกับปลาดังนั้นขอให้เราเชื่อพระ 3 ทางทางกายทางวาจาและทางใจทางใจ ถ้าเราเห็นว่าเป็นทุกข์เราจะได้ไม่อยากได้เมื่อเราไม่ ไปสมัครงานก็ไม่มีใครรับอยากได้เงินๆต้องๆเวลาใดถามเงิน ก็ไม่ต้องไปรักความนี้คือความๆออกไปให้ ถ้าเราสามารถหาสิ่งที่เรา ด้วยวิธีสจริตก็ต้องไปทําบาปไปทําอาชีพที่ไม่ดีก็เช่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไปลักทรัพย์ เขาเข้าเห็นว่าเงินทองนี้มันเป็นโทษๆแล้วถ้าหาไม่พอคิด <ม. S 1> ไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้คิดแล้วก็จะได้ทําเหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนให้ทําได้กระทําแล้วคือพระพุทธเจ้า การกระทำต่างๆเพราะไม่มีความอยากแล้วก็อยู่อย่างสบายไม่ดีและในที่สุดก็สามารถหยุดความอยาก พออยู่เฉยๆเจ้านายก็เคี้ยนตีเราทําให้เราความหงุดหงิดแล้วเราไม่ได้ทํา ถ้าจะมีความอยากคอยมาสั่งให้ไปทํานู่นทํานี่ให้ไปดูไปฟัง แต่หาให้ไปไม่นานเดี๋ยวความอยากใหม่เปเป 10 เป็น 100 นี่คือ ก็จากการหยุดความอยากต่าง ยังอยากได้คนนั้นคนนี้เป็นแฟนยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสมบัติยังอยาก ถ้าเราคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดและ คิดด้วยการคิดไม่คือไม่ทําตามความมันอยากไปนั้นไม่ได้ทําให้เราต้องตายเช่นถึงเวลา พอทําให้ดื่มน้ําไม่กินข้าวร่างกายก็ๆให้หมด จึงขอฝากเรื่องของการมา ดังบุญกุศลที่ท่านได้